วันนี้ก็อากาศดีกลุ่มจากประเทศญี่ปุน่น40 4คนก็มาเยี่ยมเยียนในวัดป่าสุกะตโตนี้ก็จะพักคืนหนึ่งอยู่สองคืนนพุธนี้ก็เป็นอาจารย์ไปสางเป็นเจ้าวาดวัดป่าสุกตโตก็ม า, อาสอน ให้แก่คนญี่ปุ่นที่ม า, าศึกษาปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้ก็เป็นจัดเป็นกลุ่มเป็นชาลุ่มชาลิกธรรมะสายเทราวาตไปประเทศคามแมลประเทศเอ่อปมามแล้วก็เมืองไทยท่านท่านที่ได้ยินข่าวว่าที่เมืองไทยก็ จากวัดปาสกโตก็ไปวัดนมปะปนที่อุบลแล้วก็สเสร็จแล้วก็กลับไปคุณเทฟไปพบกับอาจารย์อาจารย์คำพลอาจารย์คำพลเป็นคนปิการที่เคยศึกษาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเคียงอ่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คนจะไปศึกษา การปฏิบัติธรรมกับสังคมจากอาจารย์สิวรั์สุรักษ์กสิวรักษ์นะครับเป็นคนกั้นดันในประเทศไทยเป็นกลุ่มศึกษาก็พอดีที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับคำสอกับพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นสายเทราวาธ นี่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนี้ก็เป็นประเทศที่เป็นมหาใหญ่สายมหายหญ่เหมือนกับประเทศจีนประเทศเกาหลีเวียดนามนี่เป็นสายมหายหญ่ก็เลยไม่ก็รูธรรมะสายเทราวาสงานรักษาสิงห์ยังไงก็ไม่รู้จักสนะิ ปี20ปีที่ตามมาก็ตุ่นได้เข้าม า, าที่ประเทศญี่ปุ่นก็เพราะว่าก็อาจารย์นั่นแหละอาจารย์ที่นั่งที่หัวเก่า <c oughs> เป็นอาจารย์สมณสาระมหาเทระบิกุนะครับอาจารย์ก็เป็นพระศรีรังกา ก็บวชเป็นสามเณรตอนอายุ13ปีแล้วก็บวช่อเรื่อยๆจนถึงตอนนี้อายุ70ดปแีแล้วก็เลยหาหกเออปัรษาก็ตั้งก็อตอนแรกๆก็อยู่ที่สระเทศศีลังกาแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็สอนธรรมะที่มหาวิทยาลัย ที่ศรีลังกาแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมาศึกษาประเทศเอ่เอมหามิทยานด้วยแล้วก็จบด็อกเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ศึกษาภาษาญี่ปุ่นได้ดีด้วยแล้วก็ศึกษาธรรมะก็ดูจัด ก, กันดีมาก แต่ทา่านก็โอกาสที่ดีมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ค่อยๆสแสดงธรร ม, มเทศนาให้แก่คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นไม่รู้จักเลยนะธรรมะ ข, ของสายเทราวาแต่ก่อนแล้วก็อาจารย์สมัสละมะาาาหมมาเถรราชท่านก็ตั้งใจให้ธรรมะแก่พระเท้าญี่ปุ่น อา่นญี่ปุ่นก็นังสือปิ้นนังซื้อก็ร้อยกว่าเล่มนะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ภาษาญี่ปุ่นก็กอ ง, อกองแก้วนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็เปิดวัดวัดสำหรับคนญี่ปุ่นมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยได้ศึกษาธรรมมาด้วย กุ่มนี้เ่เป็นที่เป็นกลุ่มสมาคมสมาคมชื่อว่าเป็นสมาคมเถระวาดที่ญี่ปุ่นเป็นใหญ่ที่สุดเป็นสมาชิกกาสามพันกว่าคนก็เป็นเผยแพร่กันอยู่แล้วก็ที่กลุ่มนี้ก็วันนี้ก็โอกาที่ดีนะ จางาาสมัสละเทระมหาเทระทั้งก็จะให้โอกาสอาสอนธรรมะแกกลุ่มญี่ปุ่นด้วยแล้วก็พอที่มีร่ามก็อยู่ก็จะให้แปลด้วยนะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะาภาษาภาษาไทยช่วยๆหน่อยนะได้ไหมมามามานั้นนี้ ผมก็มันภาษาแต่ไม่ไม่ชัดเนี่ยก็ให้เขากันเพื่ก็ดีนะก็เลยโอกาสที่ดีพวกเราก็ตั้งใจฟันแล้วกันนะครับกับครับครับมัจังเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่น ไม <iffs> ่ได้ใช่ดูใช่ว่าจะใช่ นัมมัสสับดุลตอะตตสัมมิสัมุัสสะนััสสกัตอะตตสัมมสัมุัสสะ お皆さん、こんにちは。えっと、このお寺にあのこの道場に日本から来たあの仏教の方々も心よくあの受け入れていただきますて。 心からまず感謝いたします。どうもありがとうございます。あーー あ, ココ日 あ, 日 あ, あ、日いった今日日ま本の方々も台湾の皆様と同じくあの。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 พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าพอถึงเวลาแล้ว การสมัยที่เปลี่ยนไปก็จะทำให้ศาสนาได้เปลี่ยนไปด้วยแล้วตัวบุคคลก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะค่ะค่ะมันไม่ได้จเลยมอกัสชเดเโมชิโอเคก็ซาเซงบ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 รูจากได้ดีแล้วนะครับพระเจ้าคำสองของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำหนึ่งที่เป็นอ่ที่สามมาอันหนึ่งก็คือว่าอย่าประมาทอย่า นั่งคิดว่าอย่าเข้ามาเส้นถ้าอยู่ที่นั่งก็ว่าแต่แต่จริงๆแล้วนั่งคิดว่าอว่าเข้ามเส้นถ้าอยู่ที่นั่งก็ว่าแต่จริงล นัくくすนเองแล้วคนไทยทุกคนก็จะตื่นแต่เช้าแล้วก็ขยันด้วยก็ธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ขี้เกียจเท่าไหร่ขยันดีอยู่แล้ว <スープ>れとしなんでんでーーーんキキ で, でたけ言わょแม้ว่าพวกคนเหล่านี้ก็พอที่จะขยันไม่ขี้เกียจแต่ยังทําไมพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเธอขี้เกียจอย่าประมาทให้ขยันหน่อยนะครับ โว่าあのห้าชอด้น้วรเยว่ารนครับอเป็นคำสองของพระเจ้ามีอริยมคอมแปมีสามวยมะเป็นอ่เป็นอ่าขยังกางขยัง สิ่งทีトト่ราได้เรียนรู้ว่าช่วขั้นช่วคั้นどんなช่วงขั้นเดโว่าいうい่ตัวชีวะหัวใที่ย่อรัในี้ามุสที่อยู่ดูรักดูรักดู ขยันอ ย, ย่ากิเกียดอย่าประมาทชั่วขณะชั่วขณะนะครับก็อย่าประมาทตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเช้าตを่นขึ้นก็จะรู้ว่าทีにมันสุดหัらかにกุ๊กที่มる時ก็จะรู้ว่าที่ ที่คกสอนก่อนสัมวายามะในอาลีมาคอมแปดนี้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนตื่นตอนตืนเช้าก็ให้มีให้ไม่ยามประมาทอยาขี้เกียจแล้วก็ตอนที่เปลีฟันหรือว่ากินข้าวขับทาย ทุกเวลาทุกนาทีก็ให้ไปให้พยายามขยันไปอยากขีเกียรตลอดเวลานะครับคือว่าอยยมทำแต่ก็ยากังน้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นรว้เาทอย่างนี้ก็อาจจะเป็นยากหน่อยนะครับスイスイ パワーポイントのスライドを表示し ま, ます。 แต่ว่าเราก็พยายามขยันไม่ขี้เกียจตั้งอกตั้งใจพยายามเป็นความเพียรก็จะจิตใจก็เป็นบริสุทธิ์ขึ้นได้ไอ้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำ 佛教的修行”ということになってます。ว่าจะนั่งนิ่งการพยายันขยางความเพียรตลอดเวลานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกที่ถูกต้นที่ถูกเป็นชอบเป็นของพระพุทธเจ้านะครับ ののののパのパパとといいう言葉言葉葉反対はですすね皆様様もご存だ思まれ最後にに我々にかたーダอคำว่าปามาดาคือคำว่าประมาทคือคเป็นประมาท อัปมาาณอัปดาละเป็นไม่ประมาทนี่เป็นคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนในจุดจุดสุดท้ายก่อนตายนะครับในสุดที่คุวิปัสสนามี่นงจจิสัรู้คุณวรีตรีนัยที่มัจจาอัปมาเดนิ เป็นการปฏิบัติธรรมแบบบิดพศนาคำถานี่ก็คือว่าปฏิบัติอัปมาตดานะไม่ประมาทนะครับชวงกันช่วงันจวักกันจวนัวนนะครับก็ให้รู้สึกตัวรู้ตัวตลอดนะครับ 素直に生きてみると生きるとは何かと分かってきます。タラオ・ルスクはちっかなちかな、ないっぱまだれ、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、より、よ เรียนชีวิตชีวิตของเราธรมดาก็เข้าใจผิดว่าจะเรากดเรียนชีพยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเรา อประมาไม่ยาประไม่ไม่ประมาตแล้วก็รู้สึกตัวตลอดเวลาก็เลยเข้าใจชีวิตคือยังไงมันเราก็จริงๆาถ้าไม่ได้ปฏิบัติรู้สึกตัวก็จะเข้าใจปิดในชีวิตคือยังไงคืออะไรครับะจะเกิดปัญญาขึ้นนะครับ この知恵は不思議なもので、あの誰にでも現れます。ああ、マニヤニコグくん、ああ、とっととこの、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、こなこの、この、この、うの、この、この、ことこの、この、この、この、この、この、この、この、この、この、の、この、この、この、この、この、この、この、この、この、こ สัจธรรมก็คือว่าตัวตนนี้ไม่มีเลยดิวัตชิตตย์とิขันวัตชิกาเอลุตあるตชิกาทคบบีศนันทรรัยดะรุตตยหขัย ถ้าครเราไม่ ative, รู้ Gift, ว่าตัวตนไม่มีตัวตนไม่เข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนก็เลยเราก็ติดยึดมั่นถือมั่งกับอโลภตุสะโมหะนี้เป็นความอยากความกรอดความหล่นตลอดเลยนะครับ คนที่เข้าใจว่าไม่มีตัวไม่มีตนอ่าเป็นอาคารปรากฏการ์เฉยๆคนที่เข้าใจจุดนี้แล้วก็ เราเอาเอาอกพ้นจากการโลภโทสะโมหะนะครับซึ่งเราว่าที่ตัวฉันตอนนี้ก็อยู่กับทุกคนอยู่แล้วทุกคนก็อยู่กับฉนอ่แล้วุกคนกอ่กับฉันอยู่แล้วทุกคนก็อยู่กั้นันอู่แเรา จะเท่าตั<辯 olo> i i> ้นเอ่อใจที่ปฏิบัติธรรมในขณะนี้นะครับให้สุดの้ายนี human, True, people, ้โอซากะซามะい็หัวใจทีเป็นคนที่ทีปที่เป็นคนที่เป็นคนทนคนที่เป็ที่็คนนคทคี่นน่ แนะนำคำสองของพระพุทธเจ้าเป็นคำปีเป็นว่าคนที่ออกจากออกจากออกจากโลภัพส์โมหะแล้วก็จะเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวก็เห็นโลกเป็นยังไงก็อธิบายต่อไปนี้นะครับ ไอ้คน e ่ามันดีก็มีนี่กกมว่านะาทิตย์ทั้งนั้นห้านนกาเัน アティタン、過去のことに悩むなかれと心引っ張って引っ張って悩引っ張られてないんだと、なっぱり関係アナゲタン、存在しない将来に対して何も期待してない心であると。なぜならば、終わったことは終わりました。将来っていうのはまだ現れてないんだからよくわからないんだよという意味です。 ทีเ่เมื่อกี้อ่อก็อ่า เ, เ, เป็นคำคำสองของพระพุทธเจ้านะครับเป็นปฏิการธนกถาสุตนะครับปฏิทานานวาว่าขามือยาปฏิขังแกนากตังคู่บุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่เริ่มไปแล้วด้วยอะไรได้ไห ม, มพุ่มผ้าวนจนสิน่งที่เอ่อมาถึงนะครับสิ่งที่เป็นอดีตก็ไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตยังไม่มานะครับที่พูดโอเคนะครับ 次の言葉はパチュパネスダマスタタタタヴィパステ。今の瞬間瞬間この体に現れる現象を観察させてみましょうと気づいてみましょうと。パチュパナタヨダマンタタタタヴィパスメ。二個目はあらおこちゃ。 รูいいいいい้สึกตัวที่เกิดขึ้นในกายในใจในปัจจุบันนี้ตลอดเวลานะครับที่ เพื่อมาขี่นี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ละออกจากกิเลสออกจากโลกก็เป็นเห็เนโลกแล้วก็อย่างนี้นะครับใช่あのタイの皆様方にも日本からいらっしゃった皆様方にも あのเขียวราคะน่าอิจฉาไม่น่าแย่ไม่ยุคนิ่いแย่ไな่มืดเด่นแย่ไม่กักหุ่นแย่ไม่ช่วงไรน์คิดได้สินัยก้อนอิได้หนารเขียก็ให้อพวกท่าแม้ว่าเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีน ตลอดก็ออกจากความอยากความโกรธความหลงแล้วก็เป็นที่พผ่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นที่คนที่เป็นบริสุทธิ์ที่แท้จริงต่อไปนี้ทุกๆคนเถอะตุ๊มมาริคุทอร